3. ตัติยะปาติเทสนญญศสิกขาบทว่าด้วยการรับของเคี้ยวของฉันในที่ที่ไม่ได้รับนิมนต์ไว้ก่อนเรื่องตระกูลหนึ่งสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นในกรุงสาวัตถีตระกูลหนึ่งทั้งสองฝ่ายมีความเลื่อมใสเจริญด้วยศรัทธาแต่ขาดแคลนทรัพย์ พวกเขาสละกของเคี้ยวของบริโภคทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตระกูลนั้นถวายแก่ภิกษุทั้งหลายจนบางครั้งถึงกับไม่ได้กินอาหารคนทั้งหลายตําหนิประนามโพลทนาว่าฉนาพระสมณะเชื้อสายสกฤตบุตรจึงรับพระตาหารโดยไม่รู้จักประมาณเล่าคนเหล่านั้นถวายแก่พระสมณะเชื้อสายสกฤตบุตรเหล่านี้จนบางครั้งตนเองถึงกับไม่ได้กินอาหารพวกภิกษุได้ยินคนเหล่านั้นตนําหนิประนามโพลทนา ครั้นแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ